ดอกท้อทอภูมิัะครังงามรลายสามยามนี้กลับนับการรอ ช่วยคนชนพ้องพี่น้องฉุดรุดใจมุงมันทะยานยิงสูงใจสิทนอกพร้อมลมต้นวกบนทุกกรอมรู้ทองยอมวางลลางใจคืนฟังยัง กลับนฟ้าสัญญาย้ำเดือนเหมือนทูลใจรู้สักวันคนกำเวียนวนกลับสูงยานมีมนดังเจ้าไฟฟันจิตเรียกเรียรวนเจ้า รับทำนำแจ้งแสยงยาโลกอินยังเปลี่ยนไม่คงนั้นคิดรองเร่งใจก้าวทันไม่มันบำเพ็ญสม ยังฝ้าแม่มาดารอพุท ธ, ธาเพียนกลับคืนฟ้าสัญญายัางเดินเืนินทนใจรู้สักวันคนกัวียนวนกลับสูงยานวิมลดังจา เรารู้ทำปลายสามยามคิยวขับรับทานำแจงแสงยางโลกอินยาเปลี่ยนไม่คงนั้นคิดรองเร่งใจก้าวทันไม่มั่นบังเพนโซ